ฮัลโหลท่านผูับอนนคิดอํารูการกระทำน่จะเป็นเราสิ่รกคือจตรงกันมาเป็นบาราเราได้พัา ที่เข้ามาเพราะว่าทำเป็นเรื่องปกติบาเข้ามาเพราะว่าเลือกว่าเกิดอยู่ที่อังคเราตระหนักว่มีหลักการเงคนเาถึงผสมนการเือราต้องเข้าใจันพระต้องทำ่ใช่มาติดตำ ต่ำต่ำเลยก็ไม่ใกสื่อปรมาณแบนั้นนะที่ต่นี่สเจ็บมากตัวนี้ก็เขาอืมที่ต่ำอันนั้นนาฬิกาพิธีกมสมติที่เราท เื่อเดียกันรองเ้เสพติมาเป็นตัวจับจุดท้ายกา็ทำตามโอเปชันน่นรรงค์แจกใบปลรับอันนี้นจะเป็นผมบอกว่าพระคุณเปลนใจเปล่เองเปียนการเปละะ่ยวาจาเปลี่ยานะใป้าแต่ถ้าจะรอดทางศีลก็เจอทุกอย่างการน สิ่งอนจริงๆแล้วน่าจะสมัครขอเองเงนเองจะเข้าใจว่าสิ่งที่ได้จริงมันต้องบอกกับพระเข้าใจว่าสิ่ี่ต้องบอกับพระเป็นนามอะไรแล้วขอคาถาม่อไปคือขอแล้วเอาไปทาอะไรไปปฏิบัติหรือ ถ้หาขอมหรือหาอะไรหรือตอนพักปฏิบ in <noise> ัต sa e ิก็จะออกไปทุกคนบ้างนะแต่วันหนื่ยวทุกคนจะกำลังสองสาีห้าอไมันง่ายมันยากมันทำไม่ได้เลยมันไม่ไดอยู่ในชีวิตประจำวันจริงเรื่องะชุมเหนี้มันไม่ได้อยู่ในชีวิประจำวันจึงมันจะไม่ไใช่สิ่งของสิ่งในภาพปฏิปักษ เป็นสิ่งปบการเรียนวันไหนสิ่งก็ครก็เราต้องก็ใครกรไม่สิ่งที่นท้งสามจะเริ่มใหม่ทุกครั้งไม่แต่ละวันทกับเราภานี้สบายใจเลยล่ะสิ่งไ่สบายใจแต่ว่าับไปม เนี่ยก็จะเมาเมานแหละยงบวชตงบอกทาบวชทาเมาทำมันถึงบางคนไปทำเมาผู้ตลอดปฏิบัติงานไปทำเมานแล้วผูับเราไปเรียนมันก็ไปทเมาเมาหมดเมาพูนมศีลมาทาง อาจจมอคธรรมมอาในราสืกรอ่งอมมตสถานการณ์เือประชาธิต ซึ่งกรแต่ที่ปตยานศาสนาของสอสามนเป็นทัตางครงกามประชาปตยนทีมาคือปัานนี่ระบบสร้าโบราณประดังโบราณมาตยานเรื่องของ อาตาพิภพตายอันนี้มันชัดเจนมันชื่นกว่าเลยก้าวตัวเองเอป็นยังไแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนดีมู่งสมัยบบโบราณระคุร ท, ท่านจะเ ห, าห้าป็นยังงทางทั้งประเทศเจเรียกห้กชื่ อ, อกว่าประคุรทารกาประชาโประ มีสีหาเป็นรัดฐานถ้าเป็นอัตาปฏัยระเภนี้มันไม่นันเคือตเเป็นใหญ่แต่ถ้าเป็นอัตาปฏัเอาตัวเองป็นหลักเป็นแกนาาเราีกเด็กันกรความคิดงานพูดการกราต้องไม่ได้ในอันตรายเพราะ่รองโลเอาลกเป็นให่ ีอย่งทีเเป็นส่วนหม้บ้านไหนเมือไหนก็ดีเอาไปใช้เอามาปลูกก็าลเา้าเป็นผลไม้เอามาปลูกสมุทรประเทศผลไม้นนแกลแต่ประเท ศ, เทศเเททนี้มันเอาอะไรดีเราก็เอามาททเรื่องเล็มาปลูก บ, บ้านนราคำถามคือปลูก บ, บ้านเราแล้วก็ชาดเมื่อไ ง, ไง ไอ้แอปเปิเนก้อนมับไม่เหมือนก้ออะไรเหตุหปัจจัยสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันเป็นแอเปิเป็นแต่ชาติเหมืกันแต่เรารอยากปรัชาติให้มันเหมือนกับของเคาเป็นไปได้เนไ้วถ้าเราอยากาะรสคือแอปเปิลบรรดาบมาปลูกแล้วมาได้แทนนี้รสชาติ เห็นกั น, กกนที่นแตบบ่เรา ไ, ไม่ทำการตัดกันเนี่ยคนที่ก็ต้งแบบก็เกิดาไปม่ได้เพราะพลังทาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่ า, าประชาจไต่แบ่เขาแต่ เ, เอาโลกอันที่สามก็คือม่ได้ เกวาถึงต so ัวอก็ถึงโกอะไรตัวที่สามคือธมาที่เปิดใจกเอาธร้แกนธรรมคืออะไรธรรมคือความถูกต้องอัตตาที่เปิใจความูกใจโลภการที่เปใจคือความเอาถูกต้องมากใจคนเร้เะเราต้องแยกออกให้จะเอาคําทกใจ ของเปงแ่ถนาประธานิวตันต้องไปโดนนักนิวตันถูกใจตัวองถ้าถูกต้องก็ต้องคือทำงานที่ถูต้แล้วเคยเอาธรรมะเอามาใช้เราในการปกครองบริหารจัดการเป็นประเทศชากิคุยคืนธรรมะอันนึงแข้อประักข้อแขไม่ต้องอะไรมากเลยสิน้าปังคับใช้ มายแค่อนั่นได้เลยมันไม่มีเราเข้าใจสิ่งอะไรจริงจือให้ทุกคนมีสิทห้าเดินมาต่างรต้องอย่างนี้ก่อนเรื่องต้องพดถึงอยาเส็จก็อยูนะ่นถ้าสัตว์ัดเชก็อยู่ที่นั่นไปเกิดโศกชีพที่าพุ่จี่ก็อทกตราจารก็อท่นถาหนตาลด้วันก็อยู่ทีน ตอนนีพพ้พูดอย่างพวกนี้พูดอย่างเขาอยู่ในนี้นะ พ, พูดพูดไปอย่างทาไปอย่างพูดไปแล้วแต่ทำที่ทำไปแล้วแต่กไม่ได้พูดมันก็เป็นแค่นั้นสรุปคือกรอบแค่ห้ากรอไม่ใช่เร่ อ, องใหญ่เลยคือเปนภกาทีแต่ทุกวันเราไม่มีแล้วเขาไพูดเลยก็คือมันคือไม่ทําการชาติออะไรก็ไม่รู้ ศาสนาคือะก็สถาบันจะเป็นหลักคืออะไรม่เอาเรื่องจะเอาอะไรเอาสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยมันก็คือโอกาสที่ปไตยบางทีอาจารย์ที <c oughs> <c oughs> ่ปไตยไม่เอาธรมมันี่คือความไม่เข้าใจตัวเองที่เราคิดคิดก็ต้องทำมันไม่เกิดาาเราไปปั๊ตีเข้ามา แก้วก็พับมาไม่หมดแล้วอ็ก็บเอกสารประมาณเี่าที่อยญ่ก็เอามาเต็นเอามาไม่หมดในบกงอันที่เกอดขุนเจ้าสนองเราสองพันกว่าปีอะไรทำไมเราไม่ค่อยสนใจหือเคุณตอนเราที่เป็นหลักชาตศาสนาคือพุทธศาสนาครับามาดอะไรมาเอาไปศาสนาของตัวอื่น ที่กุลบก็ถ so ึงนั yeah. ่นแหละก็สแบันธรของี่ส่วนต่าสุราเมรีได้ไหมได้ไมมีไหมเปนศาสนาเป็นศาสนาถ้าไม่มีไม่มีแล้ท่กุลบมับสนเป็นตั้งแต่แรกการแรกมก็เปิแล้วก็คนมันม่มีทางคนมันไม่มีธรรมะคนไมรู้จักธรรมะ ก็มาป็นบาเดียวัสุดท้ายตอบแกตามมนก็มีขายเะคนไทยด้วยการขายนี้ก็ถืไม่ืร้อืมจ้ของฉบับเต้าของรเขาได้ทยุคเอาไปเลยเอปเแชตามนี่รนะครับถ้าเราในกักปฏิบัติธรรม นี่ตอมีสตินี่เรเปลี่นแปลใช้ก็ได้ที่เอาเรื่อตัวกฎหมายมาปฏิบัติงั้นไม่จบกฎกติการะเบียที่เราเล้างานที่มาจะต้องเป็นกฎส่งการที่อะไรต่างทำไมปฏิบัติไม่จบเหมือนสิ่งที่เราเล่ารับไปรับไปไงแต่กฎไงเป็นสารภาพ แต่ก็เหมือนดิเรามาเกิะเรจะทษสิ่งไหมประสบสิ่งไม่ดีนะโอไม่ใช่โผล่อะไรโผล่น้องอะไรอย่างงีว่าพยุอันดามของเราขนาดนี้ประชาชนจะไปตาที่ไปเที่เราประชาชนจะไปตสอบสิ่งจากข้ากี่ปีมาล้าศึว่าปีมา ใกล้สิบเอ็ดนที่ตัวเรือประชาธิปไตยคือ ร, ร้อกันมาถ้าสมมติเร า, าต้นน้นเราปลูกเกต้นตะกอนจากอเมริกาตะกอนจากฝรั่งเศสจากอังกฤษแล้วแต่เราปลูกว่างๆาปมานกลสิบเ็ปีแล้วปลูปกแลออก้วตัดแล้วปูกปลอกไม้ยุ่มมันไม่ดึง กราควรไปรู้งปจเตาตดะของหมนันเป็นในเลาในเวลาอย่นั้นเราแต่อาชีพเป็นอาพอพุ่้จเลือกผู้นําตอมีตัวอย่างเป็นแบบเรามองเดลยวองเราไม่เชืจ เรเรื่องพลังที่ชัดเจนมากก็คือสายตาสายตาของเราก็คือพระพุท้คุณสมบักับทเจ้าคุณสดาของเราคือนคนมีปัญญาคุณสบตเ้คต้องทการกระนแค่คนมีปัญญาไม่คนมีสัญญาเอากรร เทคต่อีออกมานี่คือใส่ปจุบัติปฏิท่นปฏิบัติข้อที่สองขอบจิตใจอบบริสุทธิ์ใจคือทำอะไรโดยไม่ต้องการผลตอบแทนไม่มีค่ารไม่มีค่าตัวไม่มีค่าสิจ้างเราอะไนี้เลยนเดือนเงินดามนี่คือปฏ มีการเทศมีการอุปชามีมรรจ้าพปวดก็ไม่มีการเหตุก็มีการฟรีแไปหาถึงบ้างมีความจริงใจความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจคือความบรสุทธ์คือทำทั้งหดความบริสุทธิ์ใจไม่มีไนยะไม่มีอะไรแอบแฝงมันมีอะไรที่อยู่บนหน้าข้างหลังไม่มีอุบ ไม่ได้ อ, อปุถาันก็ปอย่างไม่มีอาวุธของพระองค์อ ย, ย, ย่างเดียวคือปัญญาที่มอาใหเราภาวนาเนี้อาวุธที่หงพ่อมอบให้เร า, านนรคือสติปยยัญญาเราไปใช่อย่างนหรือว่ามันมีในจริงอาวุธนั้นมันไม่มีปุจริงก็เชน ไม anyway, ่เดียวว่าใช้เพื่อนมื่อเราไม่มีสิตปัญญาแบบใช่สถิตปัาไม่ได้ไม่ควรรู้สุบัติพ่อเรารู้จัาสตาเทาพิสดเดี่ตัวเองอาจารต้องเอาคุณสมบัติกมาจัดปัจจนเราไม่ดูว่าใชเหรือผู้นาผู้แนะนำหรืออะไรกันไปอาารยกเรียกว่าอาาร์ทอารย์ตัดออกหมดครการทุกอย่างเอาแค่คุณสมบัติได้ก่ ที่กิดามวันนี้ใช้สติปัญญาเราอกแค่สัญญาคือจังแ่าใช้สติปัญญานี่ยิสตยังที่เรื่องสติรือแ้สติต้อง่งไปทีจุันไม่ได้งงไปอดียไม่ได้อาพรกลับออกดเลยนี่คำว่าปัญญาคว่าสติ ปรุ่นมาให้กับะดีจบมืวันกินกเดี่ยวอร่อยปุ๋ยป็นข้าววันนั้นคือขี้รอกเป็นยัไงที่อร่อยขี้ออกเป็นแังไพอเราพูดให้มันจบแต่วันนี้ถ้าอยากกินอะไรกินได้ของอร่อยกินได้ของปูของเน่าก็กินได้ก็เลือได้อะไรที่มันมูมันเน่าไม่แก่กินดิรู้แล้วมันเสียกินเข้าไปมันก็เสีย ไไม่ดีคิดไมเเอาเข้าไปรกายมันารู้ว่าไม่ดีนยังเสียรโภกเอาเข้าไปอยู่อย่างเลือกอ่็จะไปโทษใครยินหามหรอคนเสียก็จะไปโทษใครไม่เยืออะไรต่ได้ไม่เยื่ในตเราที่การคือแพทยสุดท้ายปลาดทางเดียวก็ ตกรรมกํามเสตชัดจกรรมเปตวทีเดในสารหลทั hey ้งหลายกรรมคือการกระทําเปตี่นีเราเห็นเยศาสนาเรชื่อกำชื่อผลของกรรมเห็นัจุดเริ่มต้วคือเชื่อนี้ก็เชื่อเรื่องอะไรก็อยู่นพวกเรา ก็ผู yeah. uh ้นำทุกคนต่ังจะไปศรัทธาในผู้นำเมือนัศรัทธาผู้เชี่ยวคือผู้เจี่ยวผู้นำเรากใช้ศรัทธาตัวนำแต่ศรัทธาของเรานํางศรัทธาไปด้วยสมุทัยัาไม่ได้เชื่อสัตรูเชื่อศรัทธานะครับเราพยายาแล้มีสติ เรื่องไปถึงเราลู่อทางไปที่กันคือมั่นคงจินมรรตนตาใจเชืกเกใอใจถ้าครยังมัม่นคง น, คงนคงรเป็นตัวแลวตัวตัวแตัแหวกตัวกตัวไหวกตักตัวแวกตัวแหตัวแตัวแหวกตัวแหวกตัวแหวกตวหวกตัวแหวกตัวแหวกตัวแหกตัววัวแหเหวกวแหกตัวแหวกตัวกตัวแหวกตกววัวกั เียวคณะของเราเจอๆแล้วว่าเจอว่าแต่เปนม้งูถึงปัจจุบันคือนักถึงกวาาจารย์ุวกนีดีไหดีแต่สุดท้ายเฉพาะตัวอาจารย์ของตัวเองจัาไม่ถึงห้าักษาเป็นอาจารย์ระยะน่ะวิสัยทัศน์แปลว่าอะไร แปลว่าวไไิเนที่คจอสังไว้ถ้าฏิบัตินะยังไม่ถึงห้าษายั ง, ย, งยังไมถึงยังพือเป็นพใหม่อยู่นะวัฏกเติมพูใหม่หรือ้งใเวาผ่านเก้าไม่ใช่มนะการการเร า, าก็ปล่อยดูดีทุกทุกวันอะไรภาษากันถึงไหมเพาอะไร ก็ว่าวิน so ัยวินัยยะเป็นศิษย์ปุญจาคมัญแล้วพุทาคมัญแล้พระมิสมาจาร์ศิผู้ปุญจาคมัญปุญจาคมัชฌิมาปุถานกลงปรจานนี้มันก็ขาดสระกรมตัวาตุนิดโดยเฉพาอาจารย์ของแกรองนก็กลุมเป็น้อเป็นกันนะ ในหลวงปอหรือพุทธเจ้าหรือศาสนาอันนั้นคือข้เที่มันเป็นอยู่เราไม่ได้กมาทำเปียบเทียบเ่เทียมมันจะสภาพสังคมที่เป็นอย่างนี้พฤติการเป็นทุกวันนีเป็่เป็นขยายกวามากมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวมากถ้าสิงที่เอาโทดนั้นยึดตางเข้าใจไปโดยยึดต่างธรรมะปอบพระองค์จากในสิ่งฝันนั่น แต่ดด้ดิ้มาแคองคำที่เหลือไปขาย้าานีอันตรายดยนอันตรายมากีออทา๋ทำแบรูปอันตรายเกิดรานั้นใ น, นที่การาพวกเรายังมีสติปัญญานออกร้อย่างเอาสัตเจอาชือาอช่ อ, อตัวตั้ัวตปญญาเรียกมันวาอันตรายอันตราย แต่ทีก็แต่สุดท้ายคนสุดท้ายไปหลังก็ไม่ได้ภากันก็งายท้องหมดของจริงมันก็คือของจริงของแอมโปรไก่เป็ดของมันมีค่าดูตัวมันเองอยแล้วเพราะแม่กวาดยังเช่นนั้ ไมงันสาวรได้โมได้เจมยกี่อไเอปแทนท่านก็มีบุคคลท่านก็แถ้าเป็นเพทยท่านก็เป็นตองท่าท่านตกคนภายนอกทไปนี่คือสากาีปัจจุบันอย่างเราตสติให้ดี่น้อยคือวันพระวัน เราได้มีกาสเข้ามาเก็ครอบขาคิดคือใเข้าใจตรงกันว่าวังนะฮะวันพระคืออะไรเพราะต้องะรับคำโดย่างไงไม่ใช่ว่าฟังมรกัดพระ่อยพระเมรุพระมารับสิ่งอะไรับตัวพระมันไม่ใช่ไอ้แค่ติดวันแค่ครั้งนึงแต่มาวิกีชั่โมงยไดเป็นพระที่เหลือ เป็นพระถึงมพอนดเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาพุทปัญญาในที่ก็เกิดจากพุปัญญาเกิดจากสติปัญญาของพระองคองพระเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเอาตัวแบบควาเยี่ยงควาอย่างมาต้องใช้ปัญญาอย่าไปใช้แค่ศรัทธาือเชื่อเดียวนาีัน้มันรื่องดีแต่ถ้าเชื่อจนงมงาย ถอนตัวไม่ออกจะเป็นนิตจชื่ออ่างนเชื่ออนที่มาอันตรายนตัอไ่ดอันี่มังเป็รื่มาแต่สมัยโบราณเนี่ยแต่ไกุตัองสมักการก็นีไม่มีที่เกี่ยวกับเชื่อทารายอะไ่ที่วาของเราเปเป็นชนินอเตเขาก็ชื่อเินด้วยบัชาไฟเชื่อไฟ คเรที่รด้หรือ่ช่เดกันแต่ว่าเชื่อเหล่านั้นไม่จริงจังหรืม้แตคไอ้เ็นไม่ใช่ความจริงเป็นพิสูจน์ไม่ได้มีขุยาเรานั้นขุยยาเนี่ยเป็สูจนะอรื่องศักดิ์ก็พูดเรื่องนี้แหละพูดเรื่องตที่ผมนั่นก็ความจริงสาน รู้คารได้อ่ได้กเานแต่ถ้าก็ไม่กระจายเตม่กจผลแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงเลยอะไสัต์ส้นเืออะไร่งยาบอกว่าไม่ใช่อะไรนะถ้าใครทำได้อะไรยะแล้วก็มัสัเกความจริงรู้ใจจะทำตามต่างไม่ได้ก็เป็นอย่าง้คนก็มมองย่มามันกมุก ทุกท่านบอกว่าอันนั่นเป็นผมอ้ำเสียงพำไมผู้เฒ่ายกผมขึ้นมาก่อนเองเอาไปคิดกันไหมแต่ท่านเรลาพูดที่บอกเหตุแล้วผมแล้วความจริงแต่พอจาดขึ้นมาผมเอาผมขึ้นมาก่อนกับพาะทวดที่เหตอ้เขาบผมต้เป็นอย่างนี้เพราะเหตมันาแ ถ้าอธิบาคเรพปืนไฟให้ยึตเ่อเป็นเป็นอาวุธสัจสิ่ในิตจะั่นทอนเราไอ้ยัจสิ่อยู่นะแล้วเส้นเอาพูดเรื่องของโบราณสมักโบราณแล้วไม่มีปืนไฟไไม่ใชใช้ไม้ใช้ปืนปืนคือไมนั่นแหละไมทธรรมชาติม้แห้งไม้ดกม้เตธรรมชาติ ไ, ไฟหเไม่ไมนวี่ถ้าเราไปจุดมันเมื่อไหร่มันก็เป็นไฟแตถ้าเราไป็นงก็ไม่ได้กุญแจใช้คำว่าเขาทวาร้อมาปุ๋ยกมันก็จะทุกต์ตง การันตเลยแตาลยวออทุกรอ้อนนี่ฉันเต็มกแต่ว่าทุกเจือ่อไม่ไมเข้ามันกิจะนสปะนาบอกว่าทุกรอ้อนสมมติทุกเหมือนความร้อนอาร้อนเปอะไรก็เราไปจุดมนันนี่ไม้มันไปอยู่ที่นี่ต้นต้นมันอยู่ที่นี่เราไปจุดมนันมันก็ร้อนอาร้อนเปจะอะไร เราไปจุดม้วมันจทไ ม, ไมต้องุดเราต้องการคาว่าน้องการาาเนี่ยก็จะพาเรียกาปัญหากการอยากได้อยากมีอยากเป็นสามอยากแค่นีนนะ้ในชีวิตเรา้ีอะไร น, น, ยนอยากได้ไม่ได้อยากมีมันมีอยากเป็นมันไม่เป็นเป็ น, นเป็ น, ป น, นว่าแต่ท่ า, ทายังไงที่ ไ, ไรอ้อน อ๋ก็เราไปจุดไฟก็ได้เหมาอยู่ดีๆไปจุดมันให้มันติดไฟอันนี้คือวันที่สองที่หนข้อแรกคือฝนคือทุกก็จุดมันกต้องร้อนก็ไปทำแท่งของมันนี่คือผนของมันมันร้อนไฟมันร้อนเห็นเพามันคือเนี่ยติดต่อไปเชื้อ ถ้าภาเรานีนะ่คือมันชีเชื้อและเป็นเจ็บมันมันก็ติดไปจนะู่เนดไปท่ายังไงตถงนี้โรคสมนพรนี่รอดคือดามหรือถ้าเราไม่ดับหรือไม่ทาอะไรมันเลยคือป่อไว้นะแต่ว่าทีมันหมดมันหมดเชื้อมันดับโดยธรรมชาติไฟมันจะเยินลงไม่ดับมันก็จะ็นเยนลงเย็นลงมันก็ไปเย็นแล้วนี่นคือไม่ติด นิพพานตัเยนปัดกระดับแต่แข็วนิโรธลดคือดับใหลเลยขวัดนิโรธคือดับไเหือเไม่หลือะไรมาถึงท่างกายทั้งวิทังใจเอาสั่งอ่าอส่างมันเย็นมันดับจเหลือหรือิธีการที่เข้าถึงตัวนี้ข้ที่ศีลการสอนนี่เลิบนัญา แล้วปฏิบัติการควสมบถ่านิโรธมักก็คือผมทางในการปฏิบัติเส้นอื่นไม่มีละวิีอืไม่มีละอกถ้าเราก็จะจตรงนี้ก็คือออเราเข้าใจว่าควบคือมันเป็นกดน้ำสมบถ่ายคือเหตุคือแก้ยังไงนรธเป็มัดเป็นกันดับระดับยังไง ก็เห <premises. S 2> ็นแนวทางผู้เจ้าบอกเราแล้วเหลียดเลยว่าเหลีเป็นอานะคนนีเป็นอย่น้แล้วความจริงเป็นนี้เราไม่อยู่กสลานี้เราไม่ยอมรับเีดรับคนคนเป็นไคือไม่มีเหตุผลเป็นมนุษย์เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่อะไรอัาาเดือ้อนัตาปูรืออ คนที่มาตัา้ฐานคนมีทีสุดในโลกสุดท้ายก็สญญกแสดงแสดงความคิดกพูดการัทนะี่เนช่ว่าีื่ออ่างตาูดีหมปีูดีตการตตรงนี้ีอ ก, การตายกล่ออ า, า, า, าวทุกวันเราใช้อะไรก็ใช้วิธีนี้ีแหาก ท, ที่ายที่แท้จริงโาที่ตายนี่ตามโลก มันก็ติดตามติดต่ออะไรก็ตามหมดใครเคยทําั้งทำแล้วเคยทำมั้งทรศัพทตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นทุกวเราเป็นผู้ตามไม่เป็นผู้นาตามเทคโนโลยีแต่ว่าไม่เคยทาเดี๋ยวปีหน้าปีไหนไอโฟนสิบห้าสเจ็ตามมแ้วแตตามไปไม่เคยนคยทไม่เคยเราเป็นผู้ตามเคโนโลยีไม่เคยได้ยังเลย นี่คือโลกกาของการที่ตายโลกการนึวัดอาจาใช้บอกโลการนวัหมตามโลกนี่คือโลกการนึกวัดแล้วก็เคยมเปี่ยนแปลงเด็กผู้ชไม่ได้สออวิ่งเาวิ่งอะไรไม่เป็นทางวิ่ามโลกไปนั้นเป็นพันๆปีมาเป็นอะไรไม่เคยนพอออกถูกใจตัวสุดท้ายคือทำมาที่กตัญญูที่สุ แต่วคนก็ต้องมีธรรมไม่ชแค่รู้ธรรอย่างเดียวก็คนมีธรรมด้วยกูยางไงคือคนต้องมีสตาง ม, มีคนรู้จักสตางคอคนมีธรรมคนมีสตางตคล้ายๆกับคนมีสตางรู้ว่าสตางมีคุณค่า ด, ดีเปยดีใช้ดีแต่ใ น, นกระเก๋ไม่มีไว้กันรู้ธรรมมีคดีนะ แต่ใจเราไม่มีธรรมะจะอะไรไปช้ใาไม่มีธรรมะแต่รู้จักทำเฉยๆแต่ใจมัาไม่มีนี่นคือความแตกต่างโดยสิ้นเชิงงั้นอยากให้บริสุทธนักผู้ชอให้ใช้สติ ป, ญญพพสปัญญาขอพ่อ่อเราศาสดาของเราเอาปัญญาตัวนั้นเพราะองมีปัญญา ปัญญาของพ่อแม่นั้นลึกกวามยาวที่สุดที่มาแนวปัญญาความขนาดไหนวัดกันไ้บอกกันไรลึกขนาดไหนยาวขนาดไหนนี่คือปัญญาของพจ้่คคือจิงใจก็สนใจสงสารเดินไปหาทุกที่เรื่านเรื่องงานอะี่ปบาร็จเต็มเอือดีก็เช่นเดียวกัน บอกว่สมัยก right ่อนที่ยังไม่มีธรรมนิยมทไมเขาเป็นพระาติพระอ่านกันได้บอกศีลสิบตัวเขาไม่มีอันนี้ให้เขาพูกเขาพูดมาพระญาติเขาพูดมาเขาพูดมาอย่างนี้โคตอบง่ายกคือรู้ไหมกับโคพูดมาบอกศีลสิบตัวมคฆาตกมเกือบพันคนแล้วไม่เป็นพระอาหานได้ สมัเสด็จลืมไปคนที ensus, risen, w, ่พูดก sì ับองคุเรมาณเป็นใครแล้วคนอย่นพูดได้ไหมหลายองคุเรมาณเกิดในชาตินี้ชาติเดียวหรือเปล่าแล้วหลายร้อยชาติหลกลับราการแบบนี้มาไม่ได้สร้างบาเลยไม่มีมาเลยเราไม่พูดถึงเอาแค่พูดไม่มีคําและสวดอ่านเอาแต่นี่แต่เรื่องคนมันมีความยากมันมีปัญหา เราเออจริงเมันค่อตานทันทีเลยนะอะไรที่มนเป็นประโยชน์กับตัวเองข้อตาทีลืมไปว่าภาสนาบาลีปางเปรมานแต่ละบนมันเหมือนกันขอท่านเต็มเลยได้จะเต็มเลตองต่างกันเราะงั้นประโยชน์เดียวคือทำมาจากยังมีเจสมุทัยแต่างจักรพรรดิตัวละคำกูจะกับแค่งถนท่านอยากปฏิญาก็เข้าใจ นี้เอาคำนี้พูดว่าเป็นความฟันตีมาแล้วทำไมไม่มีใครจะไปังมกรารนมาระเบิดแต่ถามว่าท่านแยกไม่กกับคิสีย์ความเป็นกันมากี่ปีโลกกี่ชติกันกันมาแล้วเรา่พูดถึงคอมนี้เข้าใจทั้งหมดเลยอดีตไม่เข้าใจแต่จะเอามาใช้กับปัจจุบันมีประโยชน์พูดอย่งไรก็ได้แค่ตีก็้ประโยชน์มีประโยชน์ มันไม่ใช่ธรรมะปริตรามองคเป็ิตรามอธิบายนะขยันที่เต็มกันแล้วเ็อะไรมันก็สาสิมันไม่ได้พูดกับ ใ, น ใ, น ใ, นใครก็ได้หมดมันไม่ใช่การที่จะทำปฏิรูปไปการเป็นอาจารยวิทยาสไปผ้ายก็เอาความสักดิ์ใจปุกใจปถูกใจกใ น, ใน ะ, ะ, ะนั่นกต้องมีภาระที่เหมาะมเพราะนั้น พกเราทัลายที่เป็นพุทธศาสนาผชนไปร่วมที่มีสิทธิครู้อาวุโสมีสิทมีครูต้องระมัระวัคุณไต่กรวิจารณาให้รอบคอบประมัยงานแล้วก็จะง่ายท้องกับพระอีกจนกระทั่งไปโทษศาลาถึงโทษพระกลาเป็นเสน่ห์ลูกไปโทษท่านทั้งหมดเลยเปมอหมอหมอหมอเป็นโทษพระสมัยนี้รวย พระตอนนี้มีช่วยมีตอนนี้เจ็บไปฟังดูบ้างถามว่ามีกี่วัดมีกี่คนที่มีอย่างนั้นแล้ท่านอย่างนั้นเขาเล่าเป็นาระไหมมาได้เป็นพระแล้วโดยเป็นใหญ่โดยศราทธาจะเรี่ยวเป็นพานอย่างนั้พระยังได้เป็นคนยังไม่ได้เลย่เขาเป็นพรเป็นคนทั่วไปเขาไม่ทาของเลยจะเที่ยวเป็นพระ่าอย่างนี้แล้วจะเป็นกร นี่คือสภาพก่ อ, อี่จะเขาไปเขาูเราคนใช้สติปัญญาเรื่องเงวกนี้คืวันนี้หว่าเป็นวันนี้คือวัน้าแต่ว่าวันนี้เป็วันนี้ทําสามววารถระลังสรวมมันมากขึ้นมันจะได้เป็นนิสยัยวาสนาบามีต่ อ, ต, อต่อกันไปต้อหมาชาติไหนจะเป็นนิสัยอย่างนี้วาสนาบานีดกไป ทำนิสัยให้มันน่ารรำาญที่ผู้ยไบอกผู้สูาุกลับมนเัากลับทุกคนที่เนด่วงัในนี้อาจจะไปกระส่นับพราอเวนากับกาที่เรานอลังงานอานี้ขอมุกนาความดีทุกคที่เราลายแต่น้องโภชนาหารก็มาเพื่อความงดทาน ใหนนีชีวิตอยเพื่อให้กระจาเอเรย่องสัตชีตามที่กรมประกาศไปแล้ว ม, นนมนันเป็นรับประโยชน์สุดเดยอความดีนี้จะเกิดแกกันตลอดไปเราพร้อมในงานปัญที่หมดขอให้ทานเหล่านั้นจเกเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่กลอดภัยได้ตามความเป็นหน่วยงานเอง